นี้ต่อไปว่าถ้าอบรมอย่างนี้เพื่ออริยมรรคชั้นที่สองเกิดขึ้นอีกก็พิจารณาตามยานะตามเดิมแนวเดิมคล้ายแต่ไม่เหมือนเนี่ยนะคือเป็นผลพวงจากโสดาปติมร์ก็มาเจริญวิปัสสนาอบรมเพื่อจะออกอีกก็แทงตลอดจากโคจากโคสมูททยจากโคนิโรจากโคนิโรทัคคามินีปฏิปทาก็เป็นมรรคที่สองใช่ไเป็นภาวนามรรคที่เรียกว่าสกทาคามีมรรค อแล้วก็พระสกอ า, าคาามีมักนะเป็นตามนุษย์อีกไม่เกินหนชาติมาเป็นตามนุษย์อีกได้ชาติหนึ่งได้อีกคู่สุดท้ายเนี่ยนะถ้าเป็นเจริญอบรมอีกจนได้อนาคามีมักตาในการมาพบไม่เอาละเนี่ยนะไม่ไม่ต้องการอีกแล้วก็เหลือแต่ตาพรหมเนี่ยนะถ้าเจริญจนถึงอรหัตตมรรคเกิดขึ้นดับตาโดยประการทั้งปวง แต่ทีนี้คนเนี่ยนะมันเออถ้าดับตาแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกท่านจะไม่แสดงให้มีส่วนเหลือจะแสดงแค่ทวารเดียวจะไม่แสดงจะแสดงทีเดียวหกทวารเลยเดียวเอ๊ะ <c oughs> ถ้าเราอยู่นะโดยที่ไม่มีตาเอ็มจะสนุกได้ยังไงเนี่ยนะมันจะไปห่วงตรงนั้นอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านจะไม่เลือกแสดงเฉพาะทวารใดทวารหนึ่งแต่ น, นี้ของเราทั้งหลายเรียนพอเป็นตัวอย่างว่าทวารอื่นๆก็ในยะเดียวกันว่ามันพอกันหมดนั่นแหละ แต่จะพูดทีเดียวหกทวารเลยเดี๋ยวก็ไม่ใช่กินยาแก้ปวดตีดกันนะตอนแรกฟังธรรมก็ยังสุขภาพก็ยังดีอยู่ฟังธรรมแล้วก็ชักจะป่วยขึ้นป่วยขึ้นเนี่ยคนแสดงจะได้บาปหรือเปล่าเนี่ ย, ยนะถ้าแสดงแล้วลำบากใจขนาดนั้นก็ขอโทษได้ไนหะอครับเรียนถามพระคุณเจ้านะครับสำหรับพระสกทาคามีที่ ที่ท่านสามารถละกิเลสได้มากกว่าโสตพระโสตบัญ น, นี้ค่การพิจารณาขันห้าพิจารณาอายตนะอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยปัญญาท่านเพิ่มมากขึ้นนี่เพิ่มตรงส่วนไหนครับรู้อนิจจังมากขึ้นทุกขังมากขึ้นอนัตตามากขึ้นตรงส่วนไหนครับ อ, อทั้งทั้งสองทั้ง อ, อรู้อนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นน้อม อ, อประหารกิเลสได้มากขึ้นอริยมรรคนี่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ย คือคือเพิ่มใ น, ในเพิ่มในการทําปริญญากิชเนี่ยทํามากกว่าพระโสดาบันแต่ว่าโดยความเป็นอารมณ์นี่พระโสดาบันก็ต้องต้องทั่วทั่วแต่ว่าไม่ละเอียดเท่าเนี่ยนะความละเอียดนี่ไม่เท่ากันเนี่ยนะความความสุขุมรอบคอบเนี่ยนะเรียกว่าน้อยกว่าพระสกทาคามี พระสกท า, าคามีเนี่ยพิจารณาละเอียดจนว่าอารมณ์นั้นไม่เป็นปฏิฆะไม่เป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆะอย่างหยาบไม่เป็นที่ตั้งแห่งการมาราคะอย่างหยาบคือพระโสดาบันยังไม่รอบรู้จนขนาดว่าละล ะ, ละการมาราคะกับปฏิฆะอย่างหยาบได้การพิจารณาของท่านอ่อนไปแต่พระสกท า, าคามีพิจารณาละเอียดถึงขนาดว่าสามารถดับราคะกับดับ ปฏิฆะอย่างหยาบได้แล้วก็อนุภาพของอริยมรรคเนี่ยนะก็ตามกันเพราะว่าสกทาคามีมรรคเนี่ยมีโซดาปฏิมรรคเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ด้วยที่เรียกว่าโสดาปฏิมรรคเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่สกทาคามีมรรคเพราะฉะนั้น ส, สกทาคามีมรรคก็ได้อุปนิสยปัจจัยจากโสดาปฏิมรรคด้วยดังนั้นคุณภาพของอสกทาคามีมรรคก็ดีกว่าอันนี้หมายถึงว่า ความมากของการพิจารณามากครั้งหรือไงครับเพราะว่าอารมณ์ก็คงไม่ใช่อารมณ์อื่นเธออารมณ์นี่นะก็ก็คือขันท่าคุณภาพของการพิจารณาก็ต่างกันถ้าเปรียบเทียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเราอ่านาาพระไตรปิฎกหนึ่งรอบนะก็เข้าใจระดับหนึ่งใช่ไหมแต่รอบที่สองก็อ่านเหมือนเดิมเล่มเดิมนั่นแหละแต่ว่าความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นหรือเอาอย่างนี้ก็ได้นะปีแรกเรียนธรรมะนะก็เรียนเรื่องเดิมนั่นแหละ ปีที่สองมาอ่านไม้ก่อเรื่องเดิมนั่นแหละปีที่สามมาเรียนอีกก็เรียนเรื่องเดิมก็ตั้งทําง่ายๆไงนะว่าสิ่งที่ผู้การฟังวันนี้คือไม่ใช่เป็สิ่งแปลกปลอมอะไรหรอกนะเคยฟังมาแล้วทั้งนั้นแหละถามว่าต่างกันหรือเหมือนกันตังก็ฟังเรื่องเดิมๆนั่นแหละก็ที่ไหนก็ไปก็ผู้แต่อารยศาสอย่างงี้ก็ฟังแต่อารยศาสตร์นะแล้วก็ถามว่าเราเข้าใจเรื่องอารยศาสตร์แต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันแสดงว่าคุณภาพของความเข้าใจก็ แตกต่างกันเนี่ยนะคราวนี้ในระหว่างที่ทําปริญญานี้ครับเราก็พิจารณาขันธท่ายศนะอันนี้หมายถึงเป็นในเดียวยะในยะเดียวกันหรือเปล่าว่าพิจารณาอารมณ์ซ้ำนั่นแหละเพียงแต่ว่าเพิ่มรอบหรือว่าเพิ่มการพิจารณาให้เพิ่มขึ้นหรือว่ามีการคิดพิจารณาอะไรหลากหลายจากการที่จะเห็นว่าไม่เท่งเป็นทุกข์เป็นนัตตานี่ครับคือพระสะกท า, าคามีท่านก็สลดสังเวชมากกว่าพระโสดาบันเนี่ยนะ การพิจารณาก็อุปาทานขันท่าเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ก็อย่างที่พระโกธิตะพระสาดิบุตรใช่ไหมถามพระมหาโกธิตะหรือพระโกธิตะถามภาษาริบุตรถามว่าผู้มีศีแลแล้วเนี่ยนะปุตุชนกาลยานณะปุตุชนผู้มีศีลเนี่ยจะปฏิบัติเพื่อให้เป็นโสดาบันพระเป็นพระโสดาบัต้องทํำยังไงก็บอกว่าพิจารณาขันท่านี่แหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นต้นเนี่ยนะ ถ้าเป็นพระสกัดเป็นพระโสดาบันแล้วจะปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกัดทาคามีทํำยังไงกว่าพิจารณาขันธ์ห้านั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นนั่นแหละเอาถ้าเป็นพระสกัทาคามีล่ะจะเจริญเพื่อให้เป็นพระสกัดเป็นพระอนาคามีเจริญยังไงกว่าพิจารณาขันธ์ห้านั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเอาถ้าเป็นพระอนาคามีแล้ว่ะจะปฏิบัติให้เป็นพระหันทํำยังไงกว่าพิจารณาอย่างนี้ ถ้าเป็นผ่าอรหันต์แล้วอะ่ะจะต้องทํายังไงก็พิจารณาอย่างนี้อีกว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นด่างหัวฝีเป็นต้นเอาผ่าอรหันต์ทำกิจเจ็ดจบแล้วอะ่ะทําไมต้องมาทําอีกเพื่อสติสัมปชัญญะคือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเพราะการเจริญแบบนี้เขาไม่ไม่ละเลยในการพิจารณาเพราะมันเป็นความชํานาญของเขาอ่ะนะเป็นการซ่องเศษเป็นความชํานาญก็ยังพิจารณาตามเดิม แล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าท่านจะเข้าพระสมาบัติต้องพิจารณาก่อนจึงเข้าพระสมาบัติได้นี่นะก็เพื่อทิ่จะทำมะสุขาวิหารธรรมนั้นการพิจารณาขันธ์ห้าแม้แต่อยูอ่ใครก็ตามก็ยังพิจารณาขันธ์ห้าแต่การพิจารณาก็แตกต่างกันไปคือความสุขุมรอบครอบอในการแทงตลอดก็แตกต่างกันท่านจึงแสดงว่าปัญญาของปุุชนแม่หมื่นแม้แสนก็มีปัญญาสู้ พระโสดาบันคนเดียวไม่ได้ปัญญาของพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีปัญญาไม่ถึงกับไม่เท่ากับพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็มีปัญญาสู้พระอนาคามีไม่ได้พระอนาคามีก็มีปัญญาเท่ากับพระรหารไม่ได้พระรหารทั่วๆไปก็มีปัญญาเท่ากับพระอัครสาวกไม่ได้พระอัครสาวกก็ไม่มีปัญญาเท่ากับพระประเจกกับพระเจ้าพระประเจกก็มีปัญญาไม่เท่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่มืดนะอย่างพระพระอริยะทั้งหลายท่านไม่ได้มี อ, อ, อ, อย่างพระอรหันต์ล่างท่านไม่มีอาวิชาเลยแต่อานุภาพแห่งปัญญาของท่านไม่มากเหมือนกับใครมีไฟที่มันรีรีหน่อยนะจะว่าไฟนั้นมืดไหมไม่มืดจะว่าสว่างพอส่องเห็นอะไรทั้งหมดไหมไม่เห็นอุปมาเหมือนออแสงสว่างของดวงจันทร์เนี่ยนะสว่างหรือมือด อ่านหนังสือได้ไหมเอางั้นก็มืดเลยมันสว่างไม่พอเธอปัญญาทั้งหลายแหล่ก็ลักษณะเดียวกันะนะว่าขีดความสามารถจะไม่เท่ากันปัญญาของผ้าระยะสาวกชั้นล่างๆก็ไม่เท่ากับผ้าริยะสาวกเบื้องบนดังั้นการเห็นความไม่เที่ยงของของแต่ละท่านเนี่ยความเยบคลายจะต่างกันเพราะอุปนิสัยปัจจัยจหลายๆอย่างที่ที่ต่างกัน ขีดความสามารถอนุภาพของปัญญาก็ไม่เท่ากันแม้กระทั่งอย่างคำว่าสตินะปีที่แล้วกับปีนี้ก็เข้าใจที่ไม่ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับก็ความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะทั้งทั้ง ท, งที่สิ่งเดิมแม้กระทั่งเราก็เคยได้ยินได้ฟังคำว่าอริยศัสตร์ทุกสมุทัยนิโรธมรรตตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยนะแต่แล้วตอนนี้นะคำว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรตตอนนั้นกับตอนนี้ล่ะ แต่ถ้าเท่าเดิมน ะ, สะแสดงว่าโอไม่พัฒนาเอาเลยอ่ะนี่มาดูาข้อความในปฏิสัมพิธามรักษ์ต่อนะหน้าเจ็ดสิบสองอันนี้ก็อุปมาเปรียบเทียบอริยมรรที่ผ่านมาว่าบุรุษผู้ปรารถนจาจะกระโดดน้ำจะ ก, กระโดดข้ามแม่น้ำน้อยไปเพื่อจะยืนอยู่บนฝั่งโน้น จึงจับเชือกหรือท่อนไม้ที่ติดอยู่กับต้นไม้บนฝั่งฝั่งนี้เนี่ยนะแล้วก็กระโดดข้ามไปโดยเร็วจนตัวไปตกอยู่ที่ฝั่งโน้นเมื่อตัวตกอยู่ที่ฝั่งโน้นแล้วก็จะละความหวาดหวั่นนั้นยืนอยู่บนฝั่งได้ฉันใดเปรียบเทียบ ว, ว่าปุตตชนทั้งหลายเนี่ยนะที่เจริญวิปัสสนาเหมือนกับผู้ที่เห็นภายในฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีภัยอยู่รอบด้านหาความปลอดภัยแม้แต่หน่อยเดียวก็ ไม่ได้เลยปรารถนาเพื่อจะไปข้ามอีกฝั่งหนึ่งทีนี้การที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้มันก็ต้องจับเชือกหรือจับไม้เนีย่ยนะก็วิ่งมาโดยเร็วเนี่ยนะมาจับเชือกจับไม้แล้วก็โดดข้ามเพื่อไปตกให้ให้ตกอยู่ที่ฝั่งโน้นฉันใดถ้าโยคีบุคคลเนี่ยนะผู้ผู้เห็นภัยในฝั่งนี้เห็นไทยในฝั่งนี้นะซึ่งฝั่งนี้ล้วนมีแต่สกายะ คำว่าส ก, กายะตรงนี้เป็นชื่อของอุปาทานขันห้าเอาคำว่าทิฏฐิออกไปนะคือเห็นภัยส ก, กายะโดยประการทั้งปวงเห็นภัยในอุปาทานขันห้าพอเห็นภัยในอุปาทานขันห้าก็ปราถนาเพื่อจะข้ามไปยืนอยู่ฝั่งโน้นคือพระนิพานที่สงบระงับจากสังขารทั้งปวงเนี่ยนะพระนิพานที่ไม่มีภยัยเพราะฉะนั้นก็วิ่งมาโดยเร็วด้วยอุทยพยายาก เนี่ยนะริญอุทยพย า, ยานมาแล้วเป็นอย่างดีเนี่ยนะทีนี้พอมขวิอาวัชชนะอันนี้จะพูดถึงมขวิถีเลยนะเจริญวิปัสนาตั้งแต่อุทยพยานพังคยา น, ยานพยตุปทานญาณอาทีนวญาณจนถึงสังขารุปเปกขาญาณเป็นต้นจนถึงมขวิถีก็อาวัชชนะก็กระโดดจับรูปหรือจับนามนะในมขวิถีสุดท้ายเนี่ยนะอ่า วีบางคนเนี่ยมีรูปเป็นอารมณ์บางคนก็มีนามเป็นอารมณ์ น, นะนคือตามที่เคยพิจารณามาแล้วนั่นแหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถ้าจับนามเป็นอารมณ์ท่านอุปมาเหมือนกับจับไม้ so ถ้าจับรูปเป็นอารมณ์อ Space. ุปมาเหมือนกับจับเชือก น, น, นะนะแล้วก็พิจารณาเนี่ยนนะแล้วก็โดดแล้วก็พี่กระโดดขึ้นด้วยอนุโลมยานอนุโลมยานก็พิจารณา อนุโลมยานนั้นเนี่ยนะมุ่งกระโดดออกใช่ไหมแล้วก็จิตก็น้อมไปสู่พระนิพพานเพราะอนุโลมยานยังไม่เห็นพระนิพพานแต่ว่าน้อมมุ่งไปสู่พระนิพพานเหมือนคนกำลังกระโดดนะนะยังไม่ถึงฝั่งโน้อนอแต่ว่ากำลังกระโดดเพื่อจะข้ามไปฝั่งโน้นก็เลยเข้าไปสู่ที่ใกล้แห่งพระนิพพานนั้นพอถึงก็ปล่อยสังขารธรรมนั้นเสียด้วยโคตรภูยานเนีย่ยนะโคตรภูยาน แล้วก็ตกที่ฝั่งอื่นคือพระนิพพานอันเป็นอสังขตาธรรมพันโคตรภูยานเนี่ยถือว่าตกในอสังขตาธรรมแนละ้วแต่นั้นก็ตั้งคือเหมือนกับยืนอยู่ในพระนิพพานเนี่ยด้วยอำนาจของมัคคยานด้วยอริยมรรคเล่มนี้แปลไม่ค่อยดีเนยถ้าจะให้ดีก็ดูฉบับภูมิพโลเนี่ยแปลดีดีกว่าฉบับนี้แปลและเข้าใจยากเฉพาะหน้าเจสิบสองเนี่ยนะก็คืออ่านแล้วก็ ไปให้ได้อย่างที่อธิบายไปกันแล้วกันคือถ้าว่าโดยเรียบเรียงยามแบบย่อยๆนะก็คือผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานเนี่ยนะสําหรับคนที่เห็นโทษเห็นภัยในสกายะเป็นอย่างดีอะ่ะวิ่งมานะหมายกับว่ามันมีแม่น้ําอยู่ข้ามที่ต้องต้องกระโดดข้ามเนี่ยฝั่งนี้มันมีแต่ศัตรูมีแต่การเข็นฆ่ากันก็เลยวิ่งไอาการวิ่งเนี่ยวิ่งไม่หยุดเลยนะโกลอ้าอย่างเดียวอะ่ะ เหมือนกับอุทยพยายานเป็นต้นแต่กออกอย่างเดียวเนี่ยนะวิ่งไปอย่างเดียวทีนี้พอวิ่งไปจนถึงจนใกล้จะถึงฝั่ง เ, เหมือนกับว่าไปถึงน้ําที่มันข้ามอยู่นะเหมือนกับว่าถึงสังขารูปเปกขายานนละ้วเนี่ยนะพอพอมันรู้แล้วตัดฝั่งนี้แล้วข้ามฝั่งโน้อนอย่างเดียวทีนี้พอวิ่งมาอย่างนั้นเข้าก็มีเชือกหรือมีไม้เนี่ยนะพอจะจับได้ก็วิ่งไปจับก่อนไอตัวที่จับอันนั้นเหมือนกับอาวัชนะ นะมนโนทวาราวัชนาก็จับแล้วก็โยนตัวลงไปเลยนะอันนี้ก็เหมือนกับบริกรรมอุปจาระอนุโลมก็คืออนุโลมยานแล้วก็ไปยืนอยู่บนฝั่งโดยปล่อยไม้เนี่ยนะยังยืนนิ่งไม่ได้หรอกแค่เหยียบฝั่งเหยียบฝั่งโน้นแต่ยังพึ่งปล่อยเนี่ยนะแต่ว่ายังไม่ได้ยืนมั่นคงอันนั้นเหมือนกับโคตรภูยานพอแล้วก็ยืนแบบสบายอันนั้นก็เป็นมัคคานยนะ อันนี้เปรียบเทียบประดับโสดาปติมักก็เป็นอย่างนี้มักอื่นๆก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะเหมือนกับว่าต้องกระโดดอย่างเงี้ยข้ามสี่รอบอะเชิงดาเชิงดาข้ามพ้นห่วงโอฆาสี่ใช่ไหมข้ามครั้งแรกพ้นโอฆาอะไรโสดาปฏิมักข้ามทิดโโคะสกะทาคามีอ่าขอสกะทาคามีมักข้ามกาโมโอฆาอย่างหยาบอนาคามีมักข้ามกาโมคะ อรหันตมรคข้ามพวคาเพราะฉะนั้นพาหันอ่าพาหันนี่ข้ามพโวคากับอวิโชคะเป็นพราหมูพูดถึงฝั่งถึงบกนะยืนอยู่บนบกยืนอยู่บนอสังคตาธาตุเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ยืนหรือเหยียบอสังขตาธาตุได้ผู้นั้นคือผู้ปลอดภัยเนี่ยน ะ, น ะ, นะอสังขตาธาตุเนี่ยปลอดภัยจริงๆทีนี้ว่าโดยรวมๆนะเราเห็นคุณของอสังขตาธาตุเท่าไหร่ วิธีเอามาคิดอย่างนี้ง่ายๆว่าเราคิดถึงตาตัวเองเนี่ยนะคิดจะหลีดออกแค่ไหนแเราก็เหมือนกับว่าถามใจตัวเองอ่ะนะจะออกจากกันจริงหรืออันนี้จะออกจากหูแล้วนะถ้าออกจากเสียงบางอย่างไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมเสียงบ่นด้วยเนี่โอ้อยากออกมานานละอนนแต่ถ้าออกจากหูตัวเองเลยนั่นคิดก่อนนะเนีออกจากจมูกออกจากลิ้นออกจากกายออกจากใจเลยนะ เพื่อจะไปหาอสาังคตาธาตุที่สงบประงับจากสิ่งนี้แล้วก็ก็ดูว่าอัธยาศัยเรามีขนาดไหน